ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปพุทธิยานกำลังนำเสนเ อ, อสีลข้อที่ที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของสมากมันตะคือการงานชอบแต่เนื่องจากปัญหาสังคมในปัจจุบันมันมีความรุนแรงแล้วก็เป็นปัญหาที่เรามองโดยสรุปก็คือปัญหาด้านศีลธรรม หรือจำนวนสมัยใหมก่ก็อาจจะใช้คำว่าจริยธรรมแต่เราไปสังเกตภาษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมักจะใช้คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราจะเห็นว่าในภาคสนามจริงๆคุณธรรมก็คือฐานจิตของเราเช่นงมมดว่าเรามีจิต ที่ขอบเด้วยเมตตาในคนในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นการเกื้อกูลต่อคนโลาอื่นสแสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างแต่ว่าที่จริงมันเป็นอาการที่จะท้อนมาจากจิตซึ่งขอบเด้วยเมตตาตรงนี้ก็เป็นอาการของจริยธรรมเมื่อเป็นปกติวิสยัย ป, ปกติธรรมดามีเมตตาก็าเรียกว่ามีเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ด้วยเมตตาคนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นคนอยู่ในสิ้นในธรรมหรือคนมีสิ้นธรรมมันก็กลายเป็นกระบวนการว่าสำคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้นคือความคิดว่าเราสามารถจะมองชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาใกล้เคียงกันก่อนที่กบด้วยเมตตาได้ใหม่ ถ้าเรามองได้อาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาก็จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาเพราะเมตานั้นจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสสายโทสะเป็นเบื้องต้นนะฮะกิเลสสายโทสะเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปก็จะพบว่าเขาไม่ได้จัดขจัดกิเลสสายโทสะอย่างเดียวแต่ก็ไปจัดขจัดกิเลสสาย ราคะหรือโลภะไปด้วยคนใครก็ตามที่เรารู้สึกเมตตาต่อเขาเนี่ยแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกในทางเพศต่อเขาหรือจะมีความรู้สึกในทางที่ต้องการจะได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆจากเขาก็แสดงว่าเมตตา ม, มันก็ทําหน้าที่เป็นลดราคะไปลดโลภะด้วยไม่ใช่ลดเฉพาะโทสะอย่างเดียว ตอนเวลาแสดงโดยพิสดานเนี่ยถ้าจะแสดงทั้งสองด้านคือด้านหนึ่งเป็นด้านที่ตรงกันข้ามเขเรียกว่าสักคสุตรงก็สุตรยตรงของเมตตาเนี่ยก็คือโทสะหรือพยาบาทหรือโกทะหรืออุปนาหะคือผูกโกรธก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นขั้สุดโดยตรงจะไม่เกิดร่วม ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันในบุคคลเดียวกันหมายความว่าถ้าคนนี้เรามีความรู้สึกเมตตาต่อเขาเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการโทรสะ่ยบบาทอาฆาตโกรธหรือผู้โกรธเพราะมันจะกลายเป็นการอดทนให้อภัยรอคอยทีนี้ถ้าอนุภาพของเมตตาก็มีกลังมากเนี่ย มันก็ทําหน้าที่สลายได้ก็ใกล้ๆกเราสาร์น้ําสกรปรกลงไปในสระน้ําที่สะอาดเนี่ยมันก็ถูกสลายไปด้วยเร็วแต่ว่าน้ําตรงสะอาดมากๆนะฮะยิ่งน้ําสะอาดตรงนั้นเขาไหลแล้วยิ่งเจริญสะดวกวันธรรมะเขาก็เป็นปฏิปักษกันอย่างเงี้ยคือตรงกันข้ามกันอย่างเงี้ย แต่บางครั้งบางคราวจิตใจของคนก็อาจจะหลงผิดเข้าใจผิดมันมีอาการคล้ายๆกับเมตตากืออบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลทนุถ น, นอมห่วงใ่โหยหาอะไรอะไ ร, ะไรนี่บางทีเราก็แยกไปค่อยออกนั่นก็คือสิ่งที่บาลีเรียกวากาบมราคะคือความกำหนัดเรวยบหน้าของความใคร่โดยเฉ่าะฉบับคนที่เรากำหนด แล้วก็เอาง้อด้วยอํานาจของความใคร่เนี่ยเราก็จะทำหน้าที่อบอุมคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลนธนาาออุถนอมมโอดใจอด ก, การอดทนเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราดูที่จิตให้ลึกลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทําเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองกลัวว่าคนคนนั้นจะไม่ตอบสนองความต้องการของตนจึงมีวิธีการทําต่างๆแต่ทำเพื่อตัวเองซึ่งมันผิดกะเมตตานะฮะเมตตามันทําเพื่อคนอื่น เพฉนั้นท่านยังบอกว่าเมตตานั้นเป็นไปในอาการคือกูลแล้วก็นําประโยชน์มาให้ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาพจิตยอย่างนั้นทคือกูลแล้วก็นําประโยชน์มาให้แก่บุคคลอื่นก็งั้นความมาคาตปยาบาชนก็ไม่มีอยู่ภาในจิตในขณะนั้นเพราะถ้าเรามีอาฆาตประโยชน์อยู่เราก็ไม่คือกูลเขาเราก็ไม่ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขา ทีนี้ถ้ากระจาไปได้มันก็การมีเห็นเัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะหาการของกรมราคะมั น, มนมาามต้องสังเกตว่าไม่ใช่เมตตามันเป็นขั้สุดที่ใกล้เคียงกับเมตตาเท่านั้นเองแล้วถ้าเรามองในแง่ของกลุ่มธรรมแลยจะชัดเจนนะฮะว่าเมตตานั้นอยู่ในมัคคสัต เกี่ยวกับ ร, ราคะอยู่ในสมุทัยศัพท์นั้นคือควรรมนุมกันเลยจริงๆเขาเป็นปฏิปกะธรรมหรือตรงกันข้ามกันแล้วตอนพีเราก็แยกไม่ใคยออกว่าอาการเหล่าเนี้ยเป็นอาการของการมราคะหรือว่าอาการของเมตตาคือไม่ค่อยคิดอะไรที่มีการเล่นพักเล่นพวกอะไรต่างๆในบ้านในเมืองเราเนี่ยเก็จะเห็นว่า คนที่ทํานั้นอาจจะรู้สึกเมตตาต่อผู้ที่ได้ชิดกับตัวเองแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งเนี่ยสมมติว่าตําแหน่งหน้าที่ในทางราชการเนี่ยคนเหล่านั้นมาทํางานในฐานะสนองคุณแผ่นดินโดยสํานึกโดยสั ญ, ญลักษณ์โดยเอกลักษณ์เนี่ยก็คือสมนุคคุณแผ่นดินต้องการจะตอบแทนคุณของแผ่นดินจะ ใ, ใช้ความรู้ความสามารถของตนไปเพื่อทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเนี่ย เพราะงั้นถ้าหากว่ามันเกิดอาการหลงทางคือเมตตาเนี่ยแทนที่จะเป็นเมตตามันกลายเป็นกรมมาล้ครัมันก็กลายเป็นการเล่นพักเล่นพวกกลายเป็นเล่นพักเล่นพวกแล้วก็ออกมาในรูปของธรรมะที่ล้นนะ่ะคือหมายความว่าเ อ, อมันไม่กลายเป็นธรรมะมันกลายเป็นอคติคือลำเอียงเพราะรักใครกันเรียกว่าชันทากติ นันการศึกษาปฏิบัติธรรมะมันต้องดูที่จิตของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้มันคืออะไรกันแนะ่แล้วถ้าเรามามองวิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตแล้วเนี่ยบางทีคนบางคนที่เราคิดว่าเขาอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายและอะไรเนี่ยบาทีอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะเพราะว่าอาการมันคล้ายกันเราก็เลยดูไม่ออกว่านั้นคืออาการของ ธรรมะหรือวางการของกิเลสแต่บางทีกิเลสเขาละเมยียดละไมกว่าก็ซ้าไปนะคเพราะกิเลสมันมีเศษซางมีมายามีโอ้อวดมีหวังผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองนะใกล้ๆกับในพรานเบ็ดแต่ตกเบ็ดกับคนที่นั่งสมาธิหรือเจริญกรรมฐ า, านใะนสำรวมในศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราดูอาการเนี่ยเราจะไปดูที่เบตกเขานะฮะ ตัวการแล้วก็จะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับมีอาการของสมาธิปรากฏอยู่ยิงจ้องจับสัตว์จ้องจะแทงสัตว์จ้องจะทำลายสัตว์แล้วก็จะระเบียดระหม่นะซุ่มสงบเสงีสงสงง่ยมเรียบร้อยดูเหมือนกับเป็นผู้ที่ทรงศีลแต่ว่าในจิตใจของเขานั้นมีแต่โทสะมีแต่อาคตาพยาบาทหรือมีแต่โลภะ ดังนั้นการมองเนี่ยเอาขจริงเราก็มองใจเราเพอเรารับผิดชอบเป็นตัวเหตุเราก็รับผิดชอบเป็นตัวผลหรือคนเรานั้นไปหลอกคนอื่นนะพอหลอ ก, กได้นะฮะบางทีก็หลอกใจตัวเองไม่ได้การเจริญเมตตาจึงต้องเห็นอาการจางไปของการมราคะเนการหนึ่ ง, งที่ก็เรียกว่าเตมาคือแปลว่าความรัก ความรักก็เหมือนกันนะฮะมันมีลักษณะของการราคะที่ย่อนลงมาหน่อยแต่ว่าการที่แสดงนี่โอ้กุ้มคุ้มครองปกป้องราาักษาพิบัติทะนุถ น, นอมบวงใหญ่แต่มันจะมีลักษณะโหยหาอะไรกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวจะเขาไม่ตอบสนองความต้องการของตนกลัวเขาจะไม่พูดด้วยอะไรแต่ไรเนี่ยก็ประจบประแจงกันด้วยประการต่างๆก็ดูแล้วคล้ายๆกับเมตานะคร แต่ในจริงไม่ใช่เพราะว่าเปมาเนี่ยมันทําเพื่อตัวเองแ ล, ล้วลดลงไปอีกถึงจุดหนึ่งเรียกเหาะสิตะเปมาเป็นความรักในฐานะเ ป, นเป็นครอบเป็นครัวเป็นบ้านเป็นเรือนแล้วก็รักหวงใหญ่กันแต่ย่าลืมงนาะแม้แต่ความรักระดับนี้เองมันก็มุ่งไปที่กามรมารักษาเพียนแต่ว่าความเป็นมิตรก็สูงขึ้น การมุ่งตอบสนองความต้องการทางเพศเนี่ยมันอาจจะลดลงเพราะว่าแก่เท่าชาราลงมาด้วยกันแต่อย่าลืมนะฮะมันเพราะจะเกิดโทษสะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปสนใจในคนอื่นนอกเจ้าตัวเองบัญชีการอุษาธรรมะมัน ก, ก็มองในหลายมุมคือมองจากมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ก็มองมุมหนึ่งได้จะเห็นได้ชัดก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่ เขาถาวายจะตุปัจจัยของพระเนี่ยเห็นว่าพระบางพวกก็รับโดยมือเลยบางพวกก็ไม่รับแต่พระวินัยเนี่ยที่จริงข้อ น, นี้ปฏิบัติยากเพราะว่ายินดีทั้งรับเองแล้วก็ให้ที่คนอื่นก็รับทีนี้บางทีเราอาจจะพูดเราไม่หินดีแต่ถามว่าถ้าเด็กเอาไปจ่ายหมดเนี่ยเราจะยินรายหรือเปล่า นั้นมันก็จะได้คําตอบขึ้นมาทันทีว่าจะเด้งว่าที่จริงมันยินดีเพราะว่าเราดูจากเมื่อเด็กเอาไปจ่ายหมดเียเรายินรา้แต่เราไม่ยินดีเด็กก็ไปจ่ายหมดก็เออก็ดีนี่ไปจ่ายค่าอะไรค่าเราเรียนค่าอะไรเออดีก็ได้ช่วยเหลือกันเราเกิดเมตตาสงสารเ็กแล้วก็ไม่ใช่ได้ในตัวเงินฮ ทีนี้การปฏิบัติธรรมะเนี่ยตามปกติแล้วมันไม่มีอะไรมากระแท่กระทันใจคนจึงไม่ค่อยรู้จักหัวใจตัวเองที่จริงเราคิดยังไงเราปฏิบัติยังไงอันนี้ไม่เป็นธรรมะหรือว่าไม่เป็นธรรมะตอนการเจเรียเมตตาอย่างเดียวถ้าเราดูให้ดีนะฮะเราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันจะเป็นสันติแล้ว ยกตัวอย่างเช่นวัดสักวัดหนึ่งนี่นะถ้าผู้ใหญ่ภายในวัดมากไปเมตตาเนะี่ยเมตตามันมีสัตว์ตัวไปเป็นารกมองทุกคนคือคนที่ตนต้องสงเคราะห์นุเคราะห์เป็นคนที่ตนจะต้องเกื้อกูลแล้วก็นำประโยชน์เข้าไปหาครับมันมันจะมีความเป็นสากล ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นใครแต่ว่าเป็นภิกษุเป็นสา ม, มนเณรเป็นพระภายในวัดเป็นเด็กภายในวัดแล้วก็ให้ความเมตตาเสมอหน้ากันเขามีปัญหาอะไรเดือดร้อนเราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเราเกิดกรุณาแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรู้จักเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบพื้นใจมันแผ่ สมมติว่ามีวัดหรือวัดหนึ่งเนี่ยเราเป็นสมพานเนี่ยถ้าใจเราไม่แผ่ไปเต็มพื้นที่ของวัดแล้วเนี่ยก็ น, นั่นจะสงบได้ยากเพราะว่าจะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกภาคนั้นภาคนี้สมพานมาจากภ า, กาคใต้ขนลูกน้องจากภาคใต้มาอยู่เสียตั้งคอนวัดสมพานมาจากภาคอีสานเอาคนภาคอีสานมาอยู่สัครึ่งวัดคอนวัดอันนี้เราเห็นชัดเจนนะฮะว่าไม่ได้เมตตานะะ แต่ถ้ า, าไปดูกันเทศท่านเนี่ยท่านก็เทศหรือเมตตาแต่ในพระสนามจริงๆเนี่ยท่านไม่มีเมตตาท่านเล่นพักเป็นพวกนสนับสนุนส่งเสริมเจ้าพระพวกของท่านและบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีความชัดเจนเลยนะเคยรู้ว่าบางวัดเนี่ยเอาขนาดขนาดว่าพระที่เขาบวชมาเรียบร้อยแล้วนะฮะขอก็ อ, อยู่ในวัดเนี่ยต้องบวชใหม่กับท่านนะ่ะ โอ้มันโหดปูนะเพราะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพระอุปชายาองค์อื่นบวชคนไม่เป็นพระมันเป็นการรุมมินอย่างแร่แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเราก็เป็นคนอาศัยวัดเนั้นเองวัดก็ไม่ใช่ของเราพราะพระพุทธเจ้าจงสอนหลักในะอภานีย์ทำไว้ข้อสุดท้ายนะฮะ มันแสดงถึงพลานุภาพของเมตตาจริงๆเมตตามันเริ่มแผ่กระจายออกไปเด๋ยวข้ความมาตั้งจิตปรารถนาว่าเพื่อนสัพมาจารีผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อารามก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขออยู่เป็นสุขเห็นหมใจมันแผ่ไปถึงคนที่ยังไม่มาแล้วก็มาก็พร้อมที่จะต้อนรับที่อยู่แล้วก็พร้อมที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือแสดงความเป็นมิตรตามสมควรแก่สถานะมันเป็นโรคของความฝันเราก็อยากได้วัดอย่างนั้นอยากให้มีวัดอย่างนั้นอยากให้มีหมู่คณะอยู่กันอยู่ร่วมกันอย่างนั้นสถาบันองค์กรราชการต่างๆเนี่ยคือมองคนกันด้วยเมตตามันเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัว แต่หมายความมาจิตที่อยู่ในเมตตาก็เป็นเมตตาวิหารีพรหมวิหารนะแปล ว, ว่าที่อยู่ของพรมหรือเรือนใจของพรมเรือนใจของผู้เป็นใหญ่พระเจ้าในสมยบจ้องสรรเสริญเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตันบุคคลเสพแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งทําให้ตั้งมั่นโดยลําดับสั่งสมดีแล้วประรบดีแล้วพึงหวังอนิสงส์สิบเอ็ดประการ น่ส่งแสดงไว้ในเมตตานิสัง ส, สูตรนะหมายความเปนยังไงหมายความว่ามันต่อสู้กับยูภายในใจการที่จิตเราจะหลุดจากอำนาจของพยาบาทอำนาจของโทสะอำนาจของความโกรธอำนาจของความอาฆาตเนี่ยจนถึงละเมตดละไมไปหลุดพ้นจากการมาคคจากเปรมาจากความรักจาก เยหัสิตาเปมากความรักในฐานะเป็นครอบครัวเนี่ยโดยมองด้วยเมตตาจริงๆใจเราจะไม่หวั่นไหวใจเราจะไม่แข่งจะไม่การเล่นพักเล่นพวกจะไม่ปกป้องคุ้มครองกันมันทํารงรักษาความยุติธรรมเพราะจิตที่กรอบด้วยเมตตาที่มีปัญญาเข้ากํากับจริงๆนีแล้วอยู่ในอ่าลืมว่ามันอยู่ในกลุ่มอริยมรัส มันนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนี่คุมอยู่ตรงนั้นทําให้ปรับจิตของตนเองเคลื่อนไหวไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเอ่อสัมมาคนทั่วไปเราก็มองก็ด้วยเมตตาแล้วขจัดพยาบาทได้คนที่ประสบ ป, ปัญหาประสบความทุกข์เราก็มองด้วยกรุณาแล้วก็ในขณะขณะเดียวกันก็ขจัดโสกจิตได้นะจิตที่เศร้าโศกได้ แต่มองคนที่ประสบความสําเร็จถึงตามปกติมักฤกริษยาเขานะฮะแต่ถ้าจิตเรามีเมตตาอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มองริษยาแต่จะมองด้วยมุติตาคือไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรแต่ว่าชื่นชมที่เห็นเขาได้เนี่ยแต่จิตที่ปฏิบัติพัฒนามานี่วันคืนก่อนฟังอะไรรายการแผ่นนี่แผ่นดินนะฮะ มีวิทยากรคนหนึ่งนั้นพูดดูเดือดมากก็เป็นรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่อายุคงจะหกกว่าอาจจะถึงเจ็ดสิบแล้วกระนั้แต่พูดตรงๆนะนะพูดตรงๆแต่ว่าเมาโลมากไปหน่อยคือคนช่วยมันมีอยู่จริงแหละแต่มันไม่ถึงกับมากมายอะไรนักหนาหรอกแต่มางทอนชาติบันเมืองกรกบปนพี่ยุบยับหมดแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกับคนดีให้มีโอกาสรับใช้ชาติบ้านเมืองเราไม่จำเป็นจะต้องรู้จักหรอกไม่จำเป็นจะต้องได้ประโยชน์อะไรจากใครแต่เราก็มุ่งีตากับเขาในฐานะที่เขามีความคิดมีความริเริ่มในการการะทาที่เรามองเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองโดยรวมเดี๋ยวกาต่อไปเราอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่แปลกแปลกอะไรหรอ แต่ว่าใจอย่างเนี้ยมันจะทําได้ยากเพราะันถ้าเรามองสังคมเราเนี่ยมันมีความขบกันอย่างแรงคือขัดแย้งกันแรงๆเป็นสังคมพุทเป็นอินเดนีแหน่งภากาเวานเป็นสยามเมืองยิ้มแต่ริศสยามเบียดเบียนกันเนี่ยมันมันหดหนะู่นะอบางข่าวบางข่าวก็หดหู่ได้ไม่รู้จะทำยังไง <laughs> เพราะว่าเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ เรื่องบางเรื่องถ้าไปขยันไม่ได้เรื่องมันก็เหมือนก็เรื่องเปรตไปจัดคนนอนบนศาลาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือมันทาไม่ได้คนก็เป็นไปตามกรรมของเขาทีนี้ทํายังไงว่าก็ทรงบอกคนเสพคือว่าน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทําให้มากคือทําให้พุ่มพูนขึ้นโดยอย่าลืมแมลงปะทะ แรงประท้านเนี่ยปัญหามันเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยเราก็ทวนกระแสน้ํากระแสลบได้แต่ถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยลมพัดแรงๆก็อาจจะหกล้มลงมาได้แล้วก็เป็นอันตรายแล้วก็ทําให้เป็นยานไปนที่อาศัยเป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นฐานใจเป็นที่ตั้งของใจแล้วก็ทําให้ตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่น ไม่มีใครสามารถจะโยกครอ น, รอนได้ตัวนี้เขาเรียกเมตตาเจตวิมุตตคือจิตหลุดพ้นจากกำนาของกิเลสด้วยเมตตาตรงแสดงไว้จะได้อานิสงส์ถึงสิบเอ็ดประการบางครั้งทรงแสดงแปดนะแต่ว่าในเมตตาในสัง ส, สูตนั้นทรงแสดงไว้สิบเอ็ดคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาจะให้การคุ้มครองปกป้องรักษาทีนี้พวกอันตรายทั้งหลายเช่นหมอกไฟยาพิษศาสตราหรือแม้แต่ว่าลักษณะอย่างอื่นเนีย่ยในปัจจุบันมันก็มีเยอะขึ้นนะไม่สามารถจะกล้ำกลายคือไม่เป็นอันตรายจากภัยอันตรายเหล่านั้นและจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วเพราะไมตาเขามีลักษณะเย็นนะ มองคนเย็นมองคนด้วยเมตตามันเข้ากันได้เหมือนกันน้ำกันน้ำนมคนเราถ้าพอเริ่มจิตที่เมตตากันได้แล้วเนี่ยมันเดินไปได้ตลอดแหละไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าบุคคลไม่สามารถทำใจให้กรอบด้วยเมตตาได้เท่านั้นเองแต่ถ้ถาทถำได้จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วแล้วก็สีหน้าก็จะผ่องใส นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เห็นได้เราจะเห็นว่าคนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยสุขัดชายาณนะ์ะอบอุ่นคือสัมผัสแล้วอบอุ่นพระเถระบางองค์นี่เข้าใกล้แล้วจะอบอุ่นมากมันเป็นธรรมรังสีคือเป็นรังสีแห่งเมตตาที่แผ่มากระทบมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตากรุณาไปแก่ช้างนาลาคีรีนยะวิ่งเมามันมาเลยนะฮแท้งไม่ได้ เอางาปักดินเลยแล้วคุยจารับสั่งหน่อยนางเตอก็หันหลังกลับโคงตัวลงเลยหันหลังกลับเดินเข้าโรงเฉยนั้นก็แสดงเงเห็นถึงว่ามันเกิดอนุภาพขึ้นมาภายในทำให้ประกายของเมตตาธรรมในอบอุนสีหน้าก็ผ่องใสแววตาก็ส ง, งบเย็นไม่มีความมาคาดมาดไรซาุ่มเสียงต่างๆที่พูด แสดงออกไปก็สะท้อนมาจากใจที่กปริมตราแล้วก็ไม่หลงตายนะไอ้นี่คือคือคือสูตรจับไปเลยว่าเป็นสูตรอย่างหนึ่งของการําความดีเนี่ยอันนี้สรงนั้นอาจจะทรงแสดงส่วนใหญ่มันก็มีหกบ้างนะห้าบ้างหกบ้างส่วนใหญ่จะเป็นห้านะห้าแล้วก็หกคือจ ะ, จะแสดงผลในปัจจุบันขณะผลใน ปัจจุบันในชาติแล้วก็ผลที่สืบต่อกันไปแล้วผลก่อนจะดับแล้วก็ผลจะดับไปแล้วนะจะแสดงอย่างนั้นคือแสดงพูดง่ายๆว่าแสดงดำโครงสร้างของทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์คือประโยชน์ในปนัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าและประโยชน์ที่เป็นรูปบารมีธรรมดังนั้นในข้อสุดท้ายก็บอกว่ายังเมื่อยังไม่แทงตลอดคุณธรรมอันยิ่งคือยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ย ก็จะบังเกิดในพรหมโลกอันนี้ก็คือการจิตที่มันพัฒนาขึ้นมาจากงดเวน้นญาปานาธิบาทนะแต่มันเดินขึ้นอีกด้านหนึ่งเกิดเมตตาเอนดูในสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดเมตตาเกิดเอนดูขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการของจิตมันก็เปลี่ยนสงบเย็นขึ้นไประดับแล้วก็แผ่ไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นต้องฟังทั้งหลาย ใรมพรพธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาแห่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมทุกมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี